بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خطاب الإسلامية بالدمام تواصل مع أخ الكريم المصحف الشريف ل ل أ خ سعد الغامدي الشريط الرابع عشر ويحتوي على صور الشورة الزخرف الدخان الجافية الأحقاف محمد الفتح الحجرات وقاف แนะนำบทอัชูรอบทนี้เป็นบทมักกิยะมีห้าสิบสามองค์การบทเริ่มโดยการกําหนดแหล่งที่มาของวาฮีองค์การจากพระเจ้าและแหล่งที่มาของส า, อาลอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานวาฮีให้แก่บรรดา น, นาัลลและบรรดารอสูลพระองค์คือผู้ทรงคัดเลือกผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เพื่อทําหน้าที่เผยแพร่ศ า, ารของพระองค์เพื่อที่จะนํามนุษยชาติออกจากความมืดมนแห่งการตั้งตาที และการหลงทางไปสู่รัศมีแห่งแนวทางที่ถูกต้องและการสถาปน์ต่อมาบทนี้ได้เปิดเผยถึงสภาพของพวกมุชริกีนคือพวกบูชาเวิตบางคนและการกล่าวอ้างของพวกเขาขณะที่พวกมุชริกีนเหล่านั้นกําลังอยู่ในการหลงทางมาลกยกาที่อยู่บนฟากฟ้าต่างก็มุ่งมั่นอยู่ในการแท้สองสะดุดีในการสรนเสริมต่อหรอก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิเสธศรัทธาและการฝ่าฝืนของมนุษย์บนหน้าแผ่นดินกับการศรัทธาของมาเลย์กะและการยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาบทนี้ได้หวนกลับมากล่าวถึงข้อเท็จจริงของการวาฮีและสารอีกโดยกำหนดว่ า, าศาสนานั้นเป็นหนึ่งเดียวอลัลลอฮ์ทรงส่งบรรดารอดซูลทั้งมวลมาพร้อมด้วยาศาสนานั้น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 ท้งนี้เพื่อให้คำกล่าวสอดคล้องกันในตอนต้นและตอนจบบทอชูรอถูกขานนามเช่นนี้เพื่อเป็นการชี้แนะถึงสถานภาพของการปรึกษาหาเรือในอิสลามและเป็นการสั่งสอนให้บรรดามุสลิมผู้ศรัทธาให้ดำเนินชีวิตของบุคคลและสังคมดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าและกิจการของพวกเขาให้มีการปรึกษาหารือกันในระหว่างพวกเขา ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอฮามีมฮามิมอนซีนกอฟไทร์ซีนกอฟคอืคอการที่ ท่านนันละได้มีองค์การมายัางเจ้าและยังบรรดาศาสนาทูตก่อนหน้าเจ้าอาลัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาติิละที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์ และรงเป็นผู้ผงงท่านฟ้าทัานหลายแทบจะพังทาลายลงมาจากเบื้องบนของพวกมัน ขณะที่มาเลาย์กาต่างก็แท้สองสะดุดีสันเสริญต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาแล้วขออภัยให้แก่ผู้ที่อยู่ในโลกนี้เพึ่รู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอว ล, ลมนยาา ละบดดาผู้ท <questo facade> ี่ยึดถือเอาผู้คุ้มครองอี่จากพระองค์นั้นเอาล้อสรงเฝ้าดูพวกเขาอยู่และเจ้าไม่ใช่ผู้ดูแลคุ้มครองพวกเขา าร لك นั่นนแหละเราได้องค์การอัลกุรอานเป็นภาษาอับดับแก่เจ้าเพื่อเจ้าจะได้ตักเตือนชาวมักกะและผู้ที่อยู่รอบเมือง น, นั้นและเตือนถึงวันแห่งการชุมนุมซึ่งไม่มีข้อสงสยัยใดๆในวันนั้นพวกหนึ่งจะอยู่ในสวนสวรรค์และอีกพวกหนึ่งจะอยู่ในนรกวลลาชอุม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 และไม่มีผู้ชยเหลือใดๆเลยดีหรือว่าพวกเขาได้ยึดถือเอาคนอื่นจากโรงเป็นผู้คุ้มครองตาลลอกคือผู้คุ้มครอกและพระค์คือผู้ทรงให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีก และรวมคึผู้ทรงเดชาลูภาพเหนือทุกสิ่งและอันใดเล่าที่พวกเจ้าขัดแย้งกันในเรื่องนั้นการตัดสินชี้ขาดย่อมกลับไปหาอัลลอฮ์นั่นคืออัลลอฮ์พระผู้อธิบาลของฉัน แด่พระองค์เท่านั้นฉันขอมอบหมายและยังพระองค์เท่านั้นฉันจะกลับไปห า, ารพระบุตรสร้างบรรดาชันฟ้าและแันบิน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 อินนบิคุณลีชนาลีกุญแจการควบคุมกิจการแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของพระองคพรงค์ทร ง, งเพิ่มพูนปัจจัยอยังทีรแก่ผู้ที่พรงค์ทรงประสงค์และทรงให้คับแคบถ้าจริงพรงค์ทรงรับรู้ทุกสิ่งชะรออลากุมมินอดีนมาวัสซาอะฮนูฮาวัลลซีอูฮัยนาอิลั وما وصينا به إبراهيم وموسى و ي س َ ا ق أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تجرون إليه a l l ه h يجتبي إليه م ن يشاء ويهدي إليه م ن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 ละทงชี้แนะทางสูง่พระองค์แก่ผู้ที่กลับตัวสู่พระองค์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 และแท้จริงบรรดาผู้จะรับมรดกคำพีนี้หลังจากพวกเขานั้นอยู่ในการสงสัยแคลงใจเกี่ยวกับคำพีนั้นอยู่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 ไม่มีการต้แย้งใดๆระหว่างพวกเรากับพวกเจ้าอัลลอฮ์จะทรงรวบรวมพวกเราทั้งหมดและอย่างพรมเท่านั้นคือการกลับไป ส่วนบรรดาผู้โต้แย้งเกี่ยวกับศาสนาของอัลลอฮ์หลังจากศาสนานั้นได้เป็นที่ยอมรับแล้วการโต้แย้งของพวกเขาปราศจากเหตุผลในทัศนคของพระผู้อภิบาลของพวกเขาและพวกเขาจะรับความกุ้วโกรธและพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างสาหัส a l ล a ะคือผู้ประธานคำพินี์อัลกุรอานลงมาด้วยความจริงและทรงประทานความสมดุลและอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้บางทีวันอวสานนี้อยู่ใกล้ๆนี้เอง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 พึงรู้ถดว่าแท้จริงบรรดาพุต้เถียงเกี่ยวกับเรื่องวันอวสานนั้นอยู่ในการหลงผิดอย่างไกลฤิด um อลัลลอฮเลบิอบาฮยรซุุมยะชาอัลลอฮเป็นผู้ทรงเอนดูต่อพวงบ่าวของพระองค์ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพแก่ผู้ที่โรร่งทรงประสงค์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 และผู้ใดปรารถนาผลตอบแทนของโลกนี้เราจะให้แก่เขาบางส่วนจากสิ่ง น, นั้นและสำหรับเขาจะไม่ได้ส่วนใดๆอีกในประโลมมลหิดดลลลลต หรือว่าพวกเขามีภาคีต่างๆที่ได้กำหนดศาสนาแก่พวกเขาซึ่งอโอมไม่ได้ทรงอนุมัติและหากนิใช่ลิขิตแห่งการตัดสินที่ได้กำหนดไว้ก่อนแล้วก็คงได้มีการตัดสินในระหว่างพวกเขาแท้จึงบรรดาผู้อาธรรมสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันเจ็บปวด ت ر ا ل ض ِ من ي مشرقي من ما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في رضات الجنة لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو القصد الكبير.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 ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى و م ن ي ق ت َ ل ح س م ة ٌ ن َ ز د ل ه ف ي ه ا ح س ن ً ا إ ن ا ل ل ه غ ف و ر ش ك و ر นั่นคือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ทรงแจ้งข่าวดีแก่วงบาวของพรุงซึ่งพวกเขาได้ศรัทธาและปฏิบัติความดีต่างๆจงกลา่าวเถิดมุฮัมหมัดว่าฉันไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนใดเพื่อการนี้เว้นแต่เพื่อความรักใคร่ในเครือญาติและผู้ใดกระทำความดีเราจะเพิ่มพูนความดีในนั้นให้แก่เขาแท้จริงอัลล์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงรู้ผล หรือว่าพวกเขากล่าวว่าเขามมหะมักได้อุปโลกความเท็ให้กล่าวลหรอดังนั้นหากอัลลอฮทรงประสงค์ปรอง จะทรงประทับตราบนหัวใจเจ้าก็ได้แล้วรอนั้นทรงขจัดความเท็จให้หมดไปและทรงยืนยันความจริงด้วยคำกล่าวของพระองค์อัลกุรอานแท้จริงพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในส่วน อ, อกและพระองค์คือผู้ทรงรับการขออภัยโทษจากวงบบาวของพระองค์ และทรงอภัยจากความผิดทั้งหลายพระองทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทาและพระงทรงตอบรับการวิงวอนของบรรดาผู้ศรัทธาและกระทาความดีทั้งหลายและพระองค์จะทรงเพิ่มพูน จากความโปรดปรานของพระองแก่พวกเขาและบรรดาผู้ปฏิเสธสถาตนั้นพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างสาหัสและหากอลลอฮ์ทรงประทานปัจจัยอย่างชีด อย่างกว้างขวา ง, วางแก่พวงบาวของพระองค์แน่นอนพวกเขาจะก่อความเสียหายขึ้นในแผ่นดินแต่พระองค์จะทรงประทานให้ตามปริมาณที่พระองค์ทรงประสงค์แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรับรู้ผู้ทรงเห็นปวงบาวของพระองค์เสมอ ว, ي ي ر ر ว่าหุ่นที่นั่งจิ้นลุกยมมีบัดมาขนนวตตว่าันุวม และพระองค์คือผู้ทรงหลั่งน้ำฝน ล, ลงมาหลังจากที่พวกเขาหมดหวังกันแล้วและพระ อ, อ, อ, องค์ทรงแผ่กระจายพระเมตตาของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงคุ้มครองผู้ทรงได้รับการสรรเ ส, าาสาาริ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 และเคราะกรรมอันใดที่ประสบกกบพวกเจ้าก็เนื่องด้วยน้ำมือของพวกเจ้าที่ได้ขวนขวายเอาไว้และพระองค์ทรงอภัยความผิดให้มากต่อมากแล้วและพวกเจ้าไม่สามารถจะหนีรอดไปได้ในแผ่นดินนี้และอื่นจากอลัลลอฮ์แล้ว สำหรับพวกเจ้านั้นจะไม่มีผู้คุ้มครองและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆเลยและส่วนหนึ่งจากสัญญาณต่างๆของพรมคือมีบรรดานาวาเดินราบเรียบอยู่ในท้องทะเลดังภูเขา ถ้าพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงให้ลมหยุดนิ่งแล้วมันจะหยุดนิ่งอยู่ในท้องทะเลนั้นถ้าจริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่ผู้อดทนผู้ขอบคุณทุกคนหรือพระองค์จะทรงทำให้มัน นาวาเหล่านั้นอับปางหลวงก็ได้เนื่องด้วยความชั่วที่พวกเขาขวนขวายเอาไว้และพระองค์ทรงอภัยความผิดให้มากต่อมากแล้วและเพื่อบรรดาผู้โต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาณทั้งหลายของเราจะได้รู้ว่าสำหรับพวกเขานั้นจะไม่มีทางหนีรอดไปได้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 ละบันดาพูดตอบรับต่อพระพุทิบาลของพวกเขาและปฏิบัติละหมาดและกิจการของพวกเขามีการปรึกษาหารือกันระหว่างพวกเขาและเขาบริจาคสิ่งที่เราได้ให้มันเป็นเครื่องยังชีพแก่พวกเขา إ أ ي ي และบรรดาผู้ที่เมื่อมีความอาุติธรรมเกิดขึ้นแก่พวกเขาพวกเขาก็แก้แค้นตอบแทน ال และการตอบแทนความชั่วก็คือความชั่วเยี่ยงมันแต่ผู้ใดาอาภัยและไกลเกลีย่ยคืนดีกันระวันตอบแทนเขาอยู่ที่อัลลอฮ์แท้จริงพรงไม่ทรงชอบบรรดาผูาา้อาถรรม์แต่ถ้าผู้ใดแก้แค้นตอบแทน หลังจากได้รับความอาธรรมชนเหล่านั้นจะไม่มีทางตำหนิพวกเขาได้เลยส่วนที่จะเกิดโทษนั้นได้แก่บรรดาผู้ที่อาธรรมต่อมนุษย์และก่อความเสียหายหเกิดขึ้นในแผ่นดินโดยปราศจากความเป็นธรรม ชนเหล่านี้พวกเขาจะได้รับการลงโทษแะเจ็บปวดและแน่นอนผู้ที่อดทนและให้อภัยถ้าจริงนั้นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่หนักแน่นมั่นคง และผู้ใดถ้าล้อทรงให้เขาหลงทางสำหรับเขาจะไม่มีผู้คุ้มครองภายหลังจากพระองและเจ้าจะเห็นบรรดาผู้อาธรรมเมื่อพวกเขามองเห็นการลงโทษพวกเขาจะกล่าวว่ามีทางใดบ้างไม้ที่จะกลับไปอย่างโลกนี้อีก و َ ت َ ر َ ه ُ م ْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خ َ ا ش ِ ع ِ ي ن َ مِنَ ا ل د ُّ ل ِّ ي َ ا ن ُ وَضُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خ َ ف ِ ي ٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ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 ส่งพูดมาแล้วเขามาลักก็จะนำวหีมาตามที่พร้องทรงประสงค์โดยอนุมัติของปร้องถ้าจริงปร้องเป็นผู้ทรงสงูสงส่งผู้ทรงปริชายาวะคาดาลิกาอวหายนาอิลัยการู ح ันมินอมรินา และเช่นนั้นแหละเราได้องค์การอัลกุรอานแก่เจ้าตามบัญชาของเรา เจาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอะไรคือคำพีและอะไรคือการศรัทธาแต่ว่าเราได้ทำให้อันกุรานเป็นแสงสวา <c inhos> ่างเพื่อชี้แนะทางโดยในยะนั้นแก่ผู้ที่เราประสมจากวมเบาของเราและแท้จริงเจ้านั้นจะได้รับการชี้แนะสู่ทางที่ยงตรงอย่างแน่นอน